พระพธเจ้าท่านเป็นนัรกรบท่านสอนในพุทบริษัทเป็นนัรกรบเหมือนกันวิธีการท่านไปเที่ยวกรรมาฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนัรกรบทั้งนั้นไปตามต่าตามเขาลำนอไปคน อ, อยากขายแกนไม่สนใจมิได้ตั้งหน้าต่งต า, างๆเข้าสู่แนวลบเพื่อฆ่าดิเลตซึ่งเป็นตัวก่อปวนตัวทำลายปิตใจของสัตว์โลก ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยไดแรงเป็นภัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้าน <S <S มีจากจี้ทั้งนั้นไม่พิจารณาเต็มสติกำลังความสามารถ <S <S มองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมีเมื่อต่างคนต่างมีต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาด ของสดของแห้งที่เรานํามารับทานเป็นประโยชน์แก่ร่างกายจ่ายนี่มันร้อนต่างคนต่างมีสาดกระจายมารกรวก ม, มันก็ร้อ น, นพระพทุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบรื่มแหลงมาตั้งแต่พระพทุทธเจ้าทรงดําเ น, นินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นํนาวิาาวธีการดําเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอกระทยมาแล้วนั้น มาสั่งสอนสัตว์โลกโดยลำหนับลำหนักผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็ได้รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปเนี่ยมืถ อ, ถอเท้าถอยแต่ไปไม่รอดจอดจมเนี่ผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นมาได้โดยลำหนักลำหนักพระพุทธเจ้ามาตรัสรู่แต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ ทำประโยชน์แก่โลกมากมายกายกองจนขนานับไม่ได้เลยที่สั่งสอนจะโลกให้พ้นไปได้โดยลำดับลหดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงประชนอยู่ก็มีจำนวนมากมายนอกจากนั้นเทววาดกายังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามใบนบรรดาผุนนับถือเคารพท่านในดำเนินปฏิบัติตาม พวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปฏิพานนานไปแล้วนั่นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปริพานนานไปนานแล้วนั้นไปทําการทามสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สําคัญที่ว่าพระพุทธเจ้าปริพานานานแล้วเหมือนกับลื้อขนเอา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 ว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานนานปรนนปินิพพานไปแล้วงานเท่าไรมาผลนิพพานจะขึ้นเขียดขึ้นสมัยหมดเขียดหมดสมัยพูดตามภาษาเราก็ว่าพระนรินท่านรู้สึกว่าท่านท่านรับสั่งเด็กเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนรินถามมาทำไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราท้าคตมอบไว้แล้วเพื่อมาผลนิพพานทั้งนั้ น, เ, นเราไม่ได้เอามาผลนิพพานของใคร ไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำละเรียบร้อยแล้วอันเป็นต้บัตรของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพ้่องของผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนจะทายังมีอยู่พระหหนรละชิ้นจากโลกอ น, นยญาสงสัยนะทำนี้ น, น, น, นั้นแลจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราะถาคตเมื่อ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 เท้าว่ามันมีอยู่ทุกบททุกบาทโดยสมบูรณ์ที่ประทานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั่นเองเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการปรนิบัานของพุรีา้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็หมด พุทธภาละในส่วนนั้นหมดไปผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์ในระยะที่พระองค์ทรงประชนอยู่ก็เป็นว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมาติผลิภันต์โดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องต้นก็ได้พูดถึงเรื่องนักรบพระพุทธเจ้าเป็นนักรบท่านเอกท่านเยี่ยม ไม่มีใครบอกทางไม่มีคนอุบายวิธีที่จะลบกับกิเลสอาชาวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าสียมภูดวงวิมพันธ์ที่แรกเขาเป็นไปในความด้นดาวเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้ไปเห็นพอดุนดาไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่งในชั้นละกิเลสออกหมดในพระไทยแล้วก็นําอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้น มาสั่งสอนโลกโดยลำหนับลำหนับผู้ที่เชื่อพระองค์ท่านก็จะสาเร็จมรรคผลมิธานตามสเสด็จท่านพระองค์แต่นั้นก็ประทานพระโอาวาทเอาไว้ให้ผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบทใดบกพร่องสำคัญที่สุดก็คือ มัจฉาปฏิปทานี่เป็นทางดําเนินโดยตรงส่วนพระสูตรนั่นพระสูตรนี้ที่สกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเพื่อเตือนใจของเราเป็นขแนขแนงแขนงไปแต่ส่วนสำคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมากจริงๆเพื่อมะผลนิพนันล้วนๆแล้วก็ได้แก่สมาธิสีสมาสังกโปจนกระทั่งสัมมาสมาธินี้เคลื่อนข้าไปไม่ได้อันนี้พรนี้เป็นทางดําเนินโดยตรงใครจะไป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 และคำว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาดนะความเฉลียวฉลาดนั่นแลเป็นเครื่องที่จะชำระพิเรนได้เพราะพิเรนมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสารโลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี้เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากจิตใจของสารโลกนั้นะมาทิฏฐิสัมมาสังก ป, ปุลสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญา สัมมาวญญาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอคิวสัมมาหมายมลสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นองค์ประกอบไปโดยลำดับขนาดมีเป็นธรรมจําเป็นอย่างนิ่งแล้วมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอลายบกพร่องถ้ามักคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในลายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ชื่อว่าทางดําเนินของตนบกพร่อง ธรรมะทีมาปฏิปัติานี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสผู้นั้นชื่อว่าดำเนินทางโดยถูกต้องจะถึงจุดที่หมายไม่เน่นนานไม่มีทางติดทางแวะคือทางมัชชิมานี้เท่านั้นเหล่นา น, นั้นเอาแน่ไม่ได้นี่เป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็ดำเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไว้แจกสรรโลกก็ประทานแบบเดียวกัน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 ปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวพิเลต อ, อยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวพิเลต อ, ออกไปตีแผ่อำนาจไกลขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาเรืองอุบายแยกขายของตนแต่มันสลับปัดทิ้งเกล็กประเภทนั้นๆออกได้โดยลำดับลำดับไม่ไม่อะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามตามผลของงานตามงานขณะกําหนดก็สติให้มีประการ สติกับปัญญานี้เป็นธรรมสําคัญมากในการดําเนินมากแล้วอะไ ร, ท, ะรที่เรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกสังฐานพวก น, วว น, นี่ยความคิดความตุ่มเหล่านี้เป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่อง เป็นเครื่องมือของกิเลสเราอันนี้เราไปทช้ไปตุ้มไปคิดไปแต่งต่สําคัญนั่นหมายถึงนั่นเป็นนั่นสิมี่เป็นนี้่ึินั่นว่าดีสินี้ว่าชั่วมันว่าไปงั่นกิเลสที่เราก็พล้อยตามหลงตามหลงตามหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจิตใจนี่เพราะนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสดสันขึ้นมาปัญญาไปทําลาย ความเสันนั้นให้ลงสู่หลักความจริงความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแปลความตรมนี้คือเรื่องของกิเลตแยกแยกให้มันเห็นลงตามความจริงเช่นม้าสัตว์มาบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไรนี่อะไรเป็นสัตว์พิจารณาเขา้าให้รู้นทาว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลข้ามมาบุขข้ามมาคนมาหญิงมาชายมีอะไรเนี่ยอาชมะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามมากีลังท้าวั ว่ามีคุณมีค่าอย่นั้นอย่างนี้มันว่าไปอะ ไ, อะไรอะไรมีค่าไปหมดเรื่องของเกเรที่ให้คนหลงคลอยตามไปล่มจมตามมันมันก็มีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรอะไก็ตามว่ามีค่าไปหมดเราจะไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ล่มจมตามมันไปเรื่อยๆนี่แต่ความทุกข์ความลำบากภายในจิตใจนี่เพราะอํนานาจแหงความเชื่อในเกเรเพราะตามเกเลรนี่ปัญญาจึงต้องตามพี่จะนาแยกแย่อ้าว yeah, yeah,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 อันนั้นเป็นนั้น น, นี่เป็นนี้ก็ทราบว่าอันนั้นเป็นนั้นไม่ใช่เราเราไม่ใช่อันนั้นเนี่ยปัญญามันอย่างทราบชั้นไปแล้วติดก็แยกตัวออกมาแยกตัวออกมาเรื่องหน้าของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้ที่เล็กแก้แบบนี้ที่เล็คือความผูกมัดคือความยึดความถือความแบบความหามไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักเป็นจกักตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดชั่ว ake, กว็ยึดรักก็ยึดชั่งก็ยึด เกียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นตัวรกิเลสไม่ถอยหลังมีแต่ยึดยึดลงเทงลายก็จมลงไปผู้ที่ยึดตามพาให้กิเลสพาให้ยึดก็จมไปจมไปจิตใจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเหยียบย่ทำทําลายนั่นเมื่อปัญญาได้ฝุดค้นลงไปให้ถึงารกากฐานความจิงแล้วจิตมันก็ดีขึ้นมาดีขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเหยียบย่ทำทําลายดีขึ้นมาดีขึ้นมานั่นนี่เดี๋ยวเรียนหลักความจริง ทำคือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พิีรณาเห็นตามความจริงเห็นอย่างท่านอยู่ที่เขาในต่างในเขามีความทุกข์ความลําบากความทรมารขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านไปพิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นเ่วยอจะแก้ไขที่เด็ดซึ่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ไหนก็รื่นเริงงานการอะไรถ้าเราทําลงไปหากว่า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 ไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทํางานก็ทํางานไม่ได้เอารับทานก็ไม่มีรถมีท่าอะไรเลยบังคับให้รับทานอะไรมีจตถูกบังคับเสียหมดตร่งนี้โลกจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันมีใครจะที่จะพอใจจะทำมิจะถูกบังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่นั้นต้องล้มอะไรงานการทั้งหลายต้องล้มอะไรแต่นี่เพราะเห็นอะไรโลกจริงเป็นโลกงานจริงเป็นการจริงานก็เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่องนึงดูด พาให้ทำถึงทำถึงยากลัมมาก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทําต้องบังคับแใจทำเมื่อทํางไปแล้วผลที่พึงจะรับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจักษ์กับใจก็ให้เกิดความดืุนดือดให้เกิดความพอใจคนเราจึงทําได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างแต่ต่อไปก็เป็นความพอใจอการงานทั้งหลายไม่ว่าชิ้นเล็กกิ้นใหญ่ชิ้นอะไรๆมันสําเร็จไปได้ด้วยอํานาจของความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทางเหตุทั้งผลแล้วความอุตสาห์พยายามมันเป็นมาเอง นี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกงานทางโลกเป็นอย่างนี้มันมีรถมีชาติมีเครื่องมือดูให้พาให้ทําให้เป็นให้ไปมันถึงเป็นไปมันถึงทําอันนี้ย่นแยกมาทางด้านงานของศาสนางานแยกริเรศอาชวะงานบําเพ็ญกุณงามความดีมันก็มีรถมีชาติเช่นเดียวกันเห็นการทำทานทานข้งเราจะหมดไปเพียงไรก็ตามแล้วก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเห็นประจักษ์อยู่นี้นะ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 ที่อยู่ที่อาศัยก็ตามให้เงินให้ทองก็ตามให้ขนมขนมก็ตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาลุกจากมือเราไปก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่เราเห็นประจักษ์นี่แหละทําให้เกิดความภาคภูมิใจหมดเท่าไรก็หมดไปเท่าความสุขเห็นประจักษ์อยู่ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสียไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอื่นได้รับความสุกตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชดัดนี่ผลอย่างการให้ทานก็มันก็เห็นได้ชัดอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้น ทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแไปตามหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้วเรื่องการสงเคราะห์ซึ่งการณ์นี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้ามอยู่ในโลกนี้ทานจึงจะหมดไปนี่ัเรื่องรักษาศีลก็เหมือนกันศีลตึงยังไงทาความรบเบียนให้ใจเราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียนเบียนใครอันไดที่ขัดข้อง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 เราไม่ก่อความเดือดร้อนในใจผู้ใดไม่เดียดเดียนใครไม่ฆ่าไม่ทำลายใครไม่ชกไม่รักไม่ป่นไม่สะดมของใครสมบบัตรของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอาเราอยู่ด้วยความภูมิใจอย่างนี้เพราะศีลของเราเนี่ยเราก็พอใจรักษาการภาวนาเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกข์จะลำบากก็เราทำงานนี่ยเพ่อฆ่าตัวมันเสียดแทงลายอยู่ภายในจิตใจของเรา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 ถ้ามากกว่า น, นั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายเองด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบอไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้ยงไง น, นี่เนี่ยสือร้ายมันมีอยู่ภายในใจการแก้ไขการทําลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องมีงามนี่เราพิจารณาไปสแล้วทําไมจะไม่พอใจคนเราเอาทุกก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอัจฉรพิษเป็นสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้ว เราจะไปเลี้ยงไน ไ, ยงไว้ทําไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทําลายความเหบียดเบียนคอยยุ่ยแย่ก่อความผิดทางเราให้ชอบท้าขุนมวยตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้หนึ่งล้วนนี่ตั้งแต่สวือร่านเข้าไปทำลายภายในจิตใจการทําพอนาเพื่อจะถอดถอนพเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะทำลายเสือร่านี่ปราบตามเสือร่านนี่ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่หลานมันไปเพื่อบ้านเมืองขุมหมาทังจิตใจเราจะได้รับความร่ว่เใจในสุขทําไมเราจะไม่พอใจทํา นี่แหละสากยบุตรพุทธกินโรดพุทธกินโรดคือบุริษัทของพระพุทธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตตธรรมต่อการเป็นทานเป็นขีพ็นธนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอาทุกก็ทูกตายก็ตายเมื่อเข้าในสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะเอาตายก็ตายนี่นี่แล้วเข้าสู่สงครามคือแก้พิเรตคือสู้กับพิเรตตัวเป็นเสืรไล่หรือเป็นอปัจจานิสอันสําคัญที่มัน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 นีแต <Workers, S 2> uh, ่การทำลายกิเลสเดิมดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมดไปตายไปตายไปตายที่ไหนตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่กับฆ่ากิเลสนอนอยู่กับฆ่ากิเลสกิเลสตายเกิดอยู่ตามที่นั่งที่นอนหมอนหมุนหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้นกิเลสก็ตายไปหมดเอาเข้าทางโยมก็ไปฆ่าโยมกองนาเนรนาสันโกมเข้าป่าเขาฆ่ากิเลสอยู่นั้นไม่ต้องไปเผาศพมัหาอุศราธรรมามายุ่งแหละฆ่ากิเลสเป็นฆ่าง่ายจะตายไป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 แล้วกิเลสก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้เราจะวิธีการใดมาใช้สมัยใช้โดยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอาใจชนะกับพิเลสเป็นวิธีการที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือของเราแล้วก็เอาวพปราบง่ายก็ปราบไม่ถอยจนกระทั่งเสือร้าอยู่ภายในจิตใจมันพิดหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายในจิตใจเพราะกิเลสตายไปหมด ไม่มีอะไรมายุ่งมาควรไม่มีอะไรมากัดมาฉีดมายุ่ยแย่ทําลายแสนสบายอยู่ไหนก็สบายสบายสุขั้งวัตตะสุขั้งวัตตะอย่างพระมหากรบินท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบัญชมกลางคืนมาดีเพราะเสด็จออกมาสงฆ์ขวดญได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระหรหันต์แล้วอยู่ทไหนก็สุขั้งวัตตะสุขั้งวัตตะ สุกนอสุกน้อก็สุกแล้วสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีกมาดุแย่กบควรภารกิจใจโล่งเพด้วยสิด้วยอดด้วยธรรมโล่งเพรด้วยความบริสุทธิ์ว่างเปล่าไปหมดโลกธานไม่มีอะไรเข้ามายุ่งควนติตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากที่เหลือปัญหาอาสวะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆในกายเใจที่ว่างไปหมดว่างทุกว่างความโศกเศร้าโศกอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรภารกิตใจไม่มีเลย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 ว่าการทํานี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทําเอายาก็ทําำง่าก็ทําเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่ีวิตนักรบไม่ใช่นักหลบนี่นนักหลบมันเป็น อ, อยีหยันไอ้อคอยไปจะหลบไอ้อคอยจะหลบะแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้นี่แหละสาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระนิพนธ์านไปแล้วก็ตามอันใดที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงประจักษ์ความถูกต้องนั้นเลย ทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามจัดตามส่วนที่พระองค์เจ้าตรัสไปแล้วว่าสวัสดิ์หาโตกว่าตาทมุกตรัสไรชอบแล้วนิยามนิยธรรมก็เป็นธรรมที่จะนําบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกเดรัดฉ์เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทรงกรชอนอยู่ไม่มีอะไรผิดแปลแตกต่างกันเลยจึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในทรามกลางแห่งสาสนาธรรมที่ถูกต้องใีงานพรลนิยมเหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อํานวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับศาสนธรรม ท่านได้ประกาศศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่มันเหมาะสมกับทำได้ใจใจใครถ้าไม่ได้ใจใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แถวนี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดยังขอให้สู้เอ้าหัวขาดเถอะคือว่าลุกสะทากโคตแล้วพระพุทธเจ้าจะพุทธลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้วฮเอาละจะจจะออกเป็นปอดตรงกันคุณอยู่บนอากาศเลยไม่หลงเอาละเลยอยู่บรอากาศไม่มีแอ